เรืงบที่เคารพคะกลับามาพบกันอีกนในวันนี้กับช่วงเวลาของรายการสัมมนีสนทนาที่จะเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะหมายถึงเอาพุทธว จ, จะนะของพระพุทธองค์เนี่ยมาตอบคาถามที่เราตั้งขึ้นมากันหรือว่ามีคนส่งเข้ามากันกับพระพยัยบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีค่ะนักสการะทั้งคะเจริญพรเมื่อวันนี้ค่ะกกอในส่วนที่ท่านพูดว่าจิตเนี่ย สำคัญแล้วมนุษย์เราก็มีจิตยอยู่แล้วควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ต้องมีอำนาจเหนือจิตให้ได้เป็นวิธีที่ท่านมากได้ทำให้พวกเราได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันเป็นประจำทุกเช้าแต่ท่านมีพุทธวจนะกากับว่าทำอย่างไรถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่มีอำนาจเหนือจิตขอรบกวนให้ท่านทบทวนอีกครั้งได้ไหมคะอ๋ออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่ า, าจะเป็นอนาปนาสติก็ตาม หรือว่าการเจริญสติในแบบไหนๆก็ตามทั้งหมดเนี่ยรวมถึงเมตตาด้วยรวมถึงเรื่องของศีลเรื่องของทั้งหมดแหละนะจะต้องเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากในข้อที่1ข้อที่2ต้องกระทําให้เป็นดุจยานเครื่องนําไปนะข้อที่3ต้องกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้นะข้อที่4ต้องเพียรตั้งไว้เนื่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบแล้วก็เพียรปรารบสม่ําเสมอด้วยดนะีต้องสำเนียกใจอย่างนี้เนะี่ยพระเจ้าวาอย่างนี้ อันนี้ยังไม่รวมถึงว่าในบางนัยยะเนี่ยพระเจ้าพูดเพิ่มเนียนะว่าเอากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นนะให้ทุกทิศ ท, ทางเหมือนกันหมดอันนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาในนัยยะนี้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนเลยละ่ะทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อท่านได้พูดไปถึงท่านเปรียบเทียบว่าเป็นของที่ตั้งที่อาศัยได้เนี่ยเป็นของที่อาศัยได้แล้วท่านก็อุปมาของท่านหมายถึงท่านพิบูณ์นะคะ ว่าให้นึกถึงบ้านเร า, เ<อ>าใช่ไหมคะว่าการที่จะเข้าไปอยู่อย่างสุขสบายได้เนี่ยมันมีความประณีดในการที่จะสร้างบ้านหลังมากใช่ค่ะทีนี้นี่ก็พอจะนึกออกสําหรับคนที่กว่าจะมีบ้านมียากแล้วอาจจะเป็นคนที่เข้าใจความสําคัญของการที่อยู่แล้วมันจะต้องไม่มีปัญหาถึงจะสุขสบายชก็เลยดูแลในกระบวนการก่อสร้าง ทีนี้ถ้าเปรียบแบบนี้เนี่ยคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะซื้อบ้านสําเร็จรูปคือสําเร็จรูปเนี่ยมันมีมาเยอะนะคะถ้าคนขายมีเครดิต ด, ดีเป็นแบรนด์มาตรฐานก็จะมีความรู้สึกว่ามอบความไว้วางใจให้กับเขาไปเลยอในที่นี้มันมันจะทําอย่างนั้นได้ไหมคะหรือมันไม่มีสําเร็จรูปมันไม่มีมันสำเร็จรูปในเรื่องของจิตธรรมะนี่ใช่ไหมค่ะอ๋ อ, อ, อถ้ามาเปรียบเทียบกับ อ๋อคุณยมติกํลาลังเปรียบเทียบกับปัจจุบันว่ามันมีบ้านกึ่งสำเร็จรูปบางทีเราไปเลือกตรงนั้นตรงนี้ได้หน่อยอ ย, อย่างเงี้ยนะอ๋อมันก็จะเป็นเงินคุณก็ต้องจ่ายเขาอยู่ดีอะ่ะเงินใครก็เงินคุณอยู่ดีอะ่ะเงินคุณผ่อนแบงคุณก็ต้องเงินคุณอยู่ดีคือที่ไปผ่อนแบงแล้วถามว่าใครหาเงินนี้มาก็เรานั่นแหละไปอาบเหงื่อต่างน้ํากินไม่ได้กินข้าวตามเวลาไม่ได้กลับบ้านตามเวลาก็เงินเงินที่เราไปหานี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่ตัวเราแหละเพราะฉะนั้มนมันไม่ได้ต่างอะไร แต่เรื่องของจิตเนี่ยมันทําให้กันไม่ได้คือคืออาตมาไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิจนได้โอ้ยเห็นนั่นเห็นนี่แล้วอา้าวแบ่งให้แต่คุณยมติวเอาตรงนี้ไปเห็นมันทําไม่ได้เพราะนั้นจิตเราต้องฝึกเองจิตเราต้องต้องรู้เองไม่ใช่นะว่ามีคนรักเราคุณแม่ในรักเรามากเลยนะเราส่งคุณแม่เลยคุณแม่ไปปฏิบัตินะแบ่งให้หนูด้วย <laughs> หนูจะดูแลคุณแม่อย่างดีเลยนะส่งขึ้นเครื่องบินไปสำนักดีที่สุดมีคนเป็นคนดีบาดทำให้หนูด้วยก็จะทำไดอ้อย่างมากก็คือว่าแบ่งบุ ญ, บญในที่นี้เนี่ยหมายความว่าให้มาต่อเทียนไปน ะ, ะอย่างสมมติว่าอาาัลมาจุดเทียนติดแล้วท่านผู้ฟังมาต่อไปได้แต่เทียนไกลเทียนเรานะเทียนคุณน ะ, ะแต่คุณต้องมาต่อไปเองอท่านคะทีนี้มันก็จะมีบรรยากาศแบบเนี้ย ที่เดี๋ยวนี้เขาทำเงินเยอะนะคะคือเหมือนกับว่าจะมีการฟังมาว่าเวลาเราอนุโมทนาบุญคนอื่น เ, เนี่ยเราก็จะได้บุญมากจริงไหมคะแล้วก็ได้มากแค่ไหนนะคะอนุโมทนาบุญกับคนอื่นถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความมุทิตาจิตยินดีกับเขาที่เขาได้สร้างสมบุญกุศล น, นั้นเราก็จะได้บุญส่วนที่เพิ่มขึ้นมานคือไม่ได้เป็นการแบ่งเคก้กคือบุญของคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ลดลง หรือว่าเราไปแบ่งบุญให้คนอื่นเนี่ยเราไม่ได้ว่าแบ่งเค้กออกไปแต่ว่าเป็นลักษณะของการต่อเทียนนะ<ฆ>คือเป็นไฟใหม่ที่เกิดขึ้นมาความสว่างใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากเทียนเล่มเก่าจากการที่เราปลอยยินดีกับการที่เขาทําดีอย่างนั้นเอใช่รตรงนี้คือ <c oughs> มุทิตาไงเป็นมุทิตาอ่มุทิตาเนี่ยคือหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นใหญ่พระวิหารสี่อ<ฆ>๋อค่ะคือไม่ใช่ว่า คือคือเหมือนกับว่ามันเป็นจิตที่ที่สะอาดอย่างนี้นะคะสูงขึ้นสูงขึ้นอ่าทีนี้มันแบ่งบาปอันก็ได้นะแบ่งบาปสมมติว่าอาจจะมาไปทําบุญมาสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีคนใดคนหนึ่งมาอุย้ยอันนี้ไม่ดีหรอกอุย้ยไปทําทําไมดา่ดาด่าเราด้วยน ะ, ะอันนี้คือเขาแบ่งบาปไปเลยคคือเราทําบุญแต่เขาแบ่งบาปไปคือเป็นบาปอันใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเอง อืนะแมอันนี้มันยากจังเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณคะก็ไม่มีเจตนาที่ไม่ดีดิท่านเข้าใจว่าคนเวลาที่จะมีความเห็นอะไรโดยเฉพาะความเห็นของคนที่รักที่นับถือเนี่ยอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนเราําลังหลงหรือเปล่านะหลงผิดอะไรหรือเปล่าหลงหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานเปรียบเทียบไงคุณจะถาว่าหลงเนี่ยคุณเปรียบเทียบกับอะไรทางใช่ไหมคุณต้องหลงทางเปรียบเทียบกับทางทางสายหลักคืออะไรมักมีองแปด เพื่อนถ้าถามว่าไอสิ่งที่เพื่อนคุณไปทําหรือสิ่งที่คุณรับรู้มาเนี่ยมันออกนอกทางมักมักมีงค์แปดไหล่ะถ้ามันออกนอกอา่าวแสดงว่าเพื่อนเราคนนั้นประมาทแล้วเอ๊ะเราจะเป็นเพื่อนดีของเพื่อนไหมถ้าเราจะเป็นเพื่อนดีของเพื่อนเราต้องเตือนมิตรผู้ประมาทเ่าจะเป็นมิตรผู้มีอุปการะมากของเขาถ้าเราจะเป็นคนมีอุปการะเขาเราก็เตือนเขาเมื่อเขาประมาทจะประมาทหรือไม่เราจะรู้ได้ยังไงก็เปรียบเทียบกับอริยมรรมามองค์แปดเส้นทางนี้ออ คือมือนกับว่าต้องตั้งหลักให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรใช่อย่างนี้ก็มีสติเลยสิคะเนี่ยถูกต้อ ง, ตองสติต้องเอาสติมาเปนหลักใช่ใช่สติคือความระลึกได้ว่าเราต้องนึกถึงเส้นทางนี้นะเราต้องมานึกถึงสิ่งที่เป็นมรรคนะเราต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นธรรมะน ะ, ะเสร็จแล้วเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบเราจะผ่านพ้นไปได้นะท่านปี่บุญครับถ้าอย่างนั้นในยุคเนี้มันเป็นยุคที่เหมือนกับว่าเรามักจะบอกว่า ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสามารถที่จะออกมาวิพากวิจารอะไรก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของอสาธรารนณะแล้วบางทีมันก็เลยกั้มเกินในความเป็นบุคคลในส่วนบุคคลไปบ้างนะคะซึ่งเส้นแบ่งบางทีมันไม่ชัด อ, ะอ่ะเขาอาจจะเป็นบุคคลสาธรารนณะแต่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลการวิพากวิจารมันก็ล้ำเส้นไปตรงนั้นสาหรับหลักเนี่ยมันจะทาให้ขาดยังไงไมคะเช่น อ น, นจะ ค, ค, คืออย่างสมมุติถ้าเจาจะพูดอะไรออกไปนะผู้เรียนมีหลักเกณฑ์ในการตรัสอย่างงี้ไงว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะไปกระเทือนจิตเขาทําให้เขาออกจากสมาธนะิหรือว่าจะทําให้เขาเ อ, อไม่สามารถคือกลายเป็นคนไม่ดีไปอย่างเงี้ยเราอย่าพูดถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นความจริงก็ตามเรานิ่งไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเป็นบุญค่ะแต่ดิฉันกำลังจะถามตรงนี้ค่ะว่าที่ท่านพูดถึงหลักอริยมรักษ์อะว่า ในทุกกรณีได้ไหมสําหรับการจะแสดงความเห็นหรือที่เราจะต้องหาหลักง่ายๆก็คือหลักกริยามาอ๋ออย่างสมมุติว่าอ่าคนนี้อาตมาไม่รู้จักะนะแล้วก็เขาทําตัวไม่ดีเขาเป็นคนประมาทออกจากมรรคถามว่าอาตมาจะไปเตือนเขาไหมอาตมาจะตอบง่ายๆเลยรเราจะไม่เตือนค่ะเอาแล้วถามว่าท่านไม่เตือนแล้วท่านปล่อยให้เขาเป็นคนประมาทไปหรอท่านราับผิดชอบเขาเหรออย่างนี้เอาก็เราไม่รู้จักเขาหนิ ก็ถ้าเราบอกเขาแล้วแล้วเขาไม่ทํามันก็จะยิ่งไม่ดีนะสู้ว่าเรานิ่งไว้ดีกว่าแต่ใครบอกได้ก็บอกแล้วกันค่ะอันตรามาก็จะทําอย่างนี้น ะ, ะมันก็จะไม่มีปัญหาในการที่จะมาพูดขึ้นเวทีกันหรือว่ามาส่งข้อความที่ทาง Facebook ว่าส่งคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ต้องไม่ได้อยู่ในฐานหน้ที่จะเตือนเขาเนาะใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันกํำลังจะพูดหมายถึงหลักเกณฑ์ในการที่เราจะบอกตัวเราเอง ว่าเราควรที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร oh. เพื่อที่จะไม่ให้ผิดกับธรรมเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องใช้อริยมรรคเป็นตัวตัง้งหรือว่ามันมากเกินไปสำหรับเราซึ่งก็ไม่ได้หวังมากผนนิพพานะหวังชิวๆเออถ้า <c oughs> หวัง <c oughs> หวังแค่ <c oughs> ว่าเราอยู่สบายในสังสารวัตร <c oughs> นะเราไม่ต้องไปเป็นเทวดาเลยสูงส่ั่งเราเอาเป็นแค่มนุษย์เนี่ยพอมีเงินใช้ธรรมดา <c oughs> ยังไงคุณต้องอยู่ในมรรค เพราะว่าถ้าคุณออกนอกมรรคเมื่อไหร น, นะตุ้มเลยนนรกกาเนิดจารชานเปรตวิสัยหรือว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ในภพนี้คุณก็ไม่มีความสุขอยู่ในชาตินี้คุณก็ไม่มีความสุขอ๋อยังไงก็ต้องยึดอริยมรรคเอาใช่ใช่อริยมรรคเนี่ยมันมีความละเอียดความลึกซึ้งความไปไกลยอย่างเส้นทางทางด่วนก็มีทางธรรมดาก็มีใช่ไหม ทีนี้ว่าทางเนี่ยมันเป็นทางเดียวในแหละมันไม่มีทางลัดทางอะไรหรอกแต่ทางนี้ก็มีช่องทางหลายช่องช่องทางด่วนช่องทางธรรมดาแต่ถ้าเราทําแค่นี้เราก็ได้ผลอย่างนี้ทํามากขึ้นเราก็ได้ผลมากขึ้นแน่นอนค่าะในเมื่อท่านพูดอย่างนี้บางคนเนี่ยเพิ่งขับรถผ่านมาได้ยินก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยออืจะต้องทําตัวแค่ไหนอย่างไรในเวลาสั้นๆที่เหลือสั้นๆเวลาที่เหลือตรงนี้บอกได้เลยว่าเอาแค่ศีลศีลของเราเนี่ยทําให้ดี เนีเพราะว่าสีเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่รู้ปิดในการไม่ดื่มสุราไม่มีอะไรไม่ไม่พูดโกหกเนี่ยถ้าเราทําตรงนี้ได้หมดจดนะหมดจดเลยนะจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีสติรักษาละเรามีสติรักษากายวาจาใจสติตัวนี้แหละจะพาเราไปถึงวิมุตินู่นเลยเป็นพาระานได้ นะศีลเรามีศีลเราจะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจแล้วก็สบายใจสบายใจสิเราก็เป็นสุขเป็นสุขเราก็เป็นจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิก็เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็เป็นพระอรรณ์ได้ออท่านกําลังเดชฉันก็กำลังถามท่านเหมือนกันว่าเอ๊ะก็ในมืออริยมรตมีทั้งแปดข้อแล้วท่าน กลับมาบอกว่าเอาง่ายๆเนี่ยให้อยู่กับศีลและศีลมีแค่หเองน้อยกว่าทั้ง3 <c oughs> แต่ท่านท่านก็เลยบอกว่าไอ้แปดเนี่ยมันอยู่ใน5อย่างนั้นย่งไรคะ <c oughs> คือมรรคแเนี่ยแบ่งได้เป็น3ส่วน <c oughs> ส่วนที่เป็นศีลเป็นจิตแล้วก็เป็นปัญญาใช่ไหมถ้าเราเอาสมาธิฏิสมาสังกปปะเนี่ยคือปัญญานะสัมมาวามะสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธินะก็จะเหลือศีล3อย่างกนะ็คือสัมมากรรมตตาสัมมาวาจาสัมมาอชีวะ นะสามอย่างนี้รวมกันแยกออกมาแบ่งใหม่ได้เป็นข้าข้ อ, อก็คือศี่ห้าแล้วทำอันใดอันหนึ่งเนี่ยนี่เป็นความสวยงามของอริยมรรคมีมยองแปดว่าทำอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังอื่นมันก็พ่วงมาด้วยคือสมมติเรารักษาสัมมาวาจา ค, ความเห็นที่เราต้องมารักษาปากของเราเนี่ยนะอันนี้เป็นสมาธิ ะแล้วความเพียรที่เราเอามาตั้งไว้ว่าโอ๊ยฉันไม่พูดหลอดกด่าคนอื่นน่ะฉันไม่พูดหลอกเรื่องโกหกนะฉันไม่พูดหลอกเรื่องเสียดสีคนนะความพยายามตรงนี้นะมันต้องเป็นความพยายามนะคุณโยมติ๋วบางทีมันค้านคันปากมันจะพูดไม่ได้เอาตีปากตัวเองไม่พูดเนี่ยสัมมาวยามะสัมมาวายามะนะแล้วสติที่เราเอามาปิดกั้นตรงนี้เนี่ยคือสัมมาสตินยถ้าจิตคุณตรงนี้เป็นหนึ่งด้วยนั่นจะมาสมาธิเกิดขึ้นเลยคอืมหมดเลยครบเลย ค่ะ น, นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าไม่ได้รับการอธิบายจําแนกแจกแจงอย่างนี้ดิฉันเข้าใจว่าบางคนอาจจะงงๆว่าเออเอาของใหญ่มาใส่ในของเล็กได้ยังไงแต่จริงๆใหญ่ทั้งหม ด, อดลองรับกันได้หมดงั้นเลยใช่ไหมใช่เป็นอันเดียวกันนัอคะอันเดียวกันคือคือจะสอดรับกัน ค, คืออธิบายทําไมะยังไงมันก็ไม่ตันอ่ะค่ะอ่มันก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามา บิดเบือนในหลักของธรรมะแต่เป็นการที่เข้าใจมากก็จะสามารถชี้ให้เห็นว่ามันมีหลายแง่หลายมุมที่ล้วนแล้วไปในทิศทางเดียวกันหมดใช่ประเด็นอีกนิดหนึ่งตรงนี้ที่คุณยมติ๋วพูดถึงว่าเราจะจะต้องพูดไหมหรือจะไม่พูดอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างเราต้องดูสถานะของเราด้วยนะถ้าเราอยู่ในสถานที่เป็นเพื่อนเขาที่เตือนแล้วพูดแล้วเขาจะฟังเนี่ยเราก็พูดได้ถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณมีลูกลูกทําไม่ดีคุณต้องเตือนลูก นะเราก็ทำในลักษณะนี้ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่ควรทำอืมค่ะคือก็พิจารณาให้เหมาะสมก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆดิฉันรู้อย่างเดียวแหละพระพุท ธ, เ, ธเจ้าเนี่ยเราต้องเริ่มต้นในการขัดเกลาที่ตัวเองก่อนคำสอนของท่านถึงจะเกิดผลใช่นะคะแล้วก็วันนี้ถ้าสรุปแล้วคุยมาเยอะแยะแต่ให้ง่ายๆก็คือว่าเรามี อริยมรรคเป็นหลักก็จริงในทางปฏิบัติเรารู้จักศี่ห้ากันมากกว่าปฏิบัติศี่ห้านั้นก็ถือว่าจะให้ได้ประโยชน์ใช่ทำอริยมรรคมีองค์แปให้เกิดขึ้นได้นะคะวันนี้ในมัสการขอบพระคุณท่านไพริบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์นพานท่านฟังครัและนั้นก็คือท่านไพบุญนะคะพระเพริบุญอภิปุณโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกน้องหาอุดรธานีนะคะ อันนี้ก็คือรายการสันสนีสนทนาที่ดิฉันสัสนสิงน้าภงเป็นผู้ดำเนินรายการต้องการที่จะให้ไม่เพียงแต่นำธรรมะมาให้ท่านรับทราบนะคะมันไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่สู้นำออกไปปฏิบัติเลยไม่ได้ดิฉันดีใจนะคะเจอคนรู้จักเก่าๆก็โทรศัพท์มาคุยบอกว่าขณะนี้กำลังจะปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกเขาฟังรายการของเรานะคะก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยโน้มเอียงมาทางนี้แล้วก็อนุโมทนาเช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้เห็นคุณค่าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติสาหรับคำสอนของพระศ า, าสดานะคะการได้เข้าถึงพุททวจนะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็ขอให้ท่านได้ใช้โอกาสนี้ในรายการเรานอกจากจะให้ทางการ นำออกมาสนทนาธรรมหรือว่านิมนต์พระมาให้ธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติในช่วงต้นแล้วมีหนังสือค่ะชื่อพุทธวจนะนะคะเป็นหนังสือชุดที่รวบรวมคำตรัสของพระพุทธองค์ล้วนๆหาซื้อที่ไหนไม่ได้ให้ท่านไปศึกษากันเพราะว่าท่านเป็นพระศาสดานะคะศาสนาจำหลักมาได้ถึงทุกวันนี้นั้นบทเพียรชนะของท่านต้องนอาออกไปพิสูจน์ได้จึงทาให้คนเขายอมรับนับถือกัน ห้ามพลาดนะคะเกิดมาทั้งทีเราควรจะได้รับสิ่งนี้ไปเป็นของขวัญสำหรับชีวิตเราที่ล้ำค่าที่สุดวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพุทวั์สวัสดีค่ะ